สมมติ่าดับเจ็ดวันวันที่ออกก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เช่นถ้าผ่าอาหารเข้าก็อรหัตผลสมาบัตจะเกิดกี่ดวงดวงเดียวใช่ไหมดวงเดียวก็ตกสู่ภวังถ้าเป็นพระอนาคามีเข้าก็อนาคามีผลจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ตกสู่ภวังนั่นนะท่านถือว่าการดับสัญญาและเวทนานี่เยี่ยมเลยนะเพราะท่านเบื่อหน่ายในขันเต็มทีนะ่ะนะก็เกี่ยวกับ อนุปภาพวิหารเก้าเนี่ยนะก็เป็นคุณธรรมที่ที่ใครเนี่ยนะสมัยพุทธกาลอยู่มากเนี่คือใครรู้ไหมบอกพระมหากระสปะก่ อ, อนจะเข้าบ้านบินทบาทท่านจะเข้าโดยอนุโลมปฏิโลมแล้วท่านจึงไปบินทบาทเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลานทศารีบุตรนี่จะ ด, ด่าพระมหากระสปะพระมาโมคลานะเตือนบอกอย่าไปด่าท่านนะธรรมจิตเคารพท่านเถอะท่า น, า น, านเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่าเป็นมิวมีปกติอยู่ด้วยเนี่ยสมาบัติทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไปกราบท่านเถอะการไหว้ท่านเนี่ยเกิดวัดได้บุญยิ่งกว่ากราบคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแหละกราบบุคคลอื่นนะสมมุติว่ากราบพระมหาสปะเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วหารบุญที่ที่กราบท่านมาหารสิบหกใช่ไหมแล้วเอาหนึ่งะเซี่ ย, ยของสิบหกนั้นเนี่ยมากยังมากกว่ากราบบุคคลทั่วๆไปอีก เช่นกราบคนวันณนะพรามด้วยกันเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้เศษเสี่ยวของการกราบไหว้พระมาหากัะสปะเนี่ยนะทัานถ้าระยะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่ท่านมุ่งสงเคราะห์ประชาชนทั้งหลายท่านก็จะเข้าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะท่านเข้าคุณธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้สงเคราะห์ประชาชนอย่างพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ท่านสงเคราะห์อย่างสงเคราะห์นายอันณนภะาระสงเคราะห์บุคคลทั่ ว, วไปเนื่องจากท่านเข้า นอนุปภาพวิหารธรรมเก้านี่แหละท่านจึงสามารถสงเคราะห์ให้เขาได้รับผลบุญภายในเจ็ดวันอย่างพระสารีบุตรสงเคราะห์นายปุณณนะใช่หนายปุณณะที่เป็นทาสแล้วนะก็ด้วยการเข้าอนุปภาพวิหารสมาบัติพระมหากัสสปะที่สงเคราะห์สงเคราะห์ใครสงเคราะห์พวกคนยากทั้งหลายนะก็ด้วยการเข้าสมาบัตินะเช่นจะไปสงเคราะห์คนจนนะเทา้าสกกะมาตับหน้าสักเนี่ยนะ ก็ก็มีอันนี้ก็ท่านเหล่านี้ก็จะเข้าสมาบัติหรือสงฆอนางราชาเทวทิดาใช่ไหมที่งูกัดตายานะอันนี้ก็ด้วยการเข้าสมาบัติหรือพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยเข้าสมาบัติแล้วรับอาหารของพนางมาริกาได้เป็นราชินีในวันนั้นเล ย, เลยก็อันนี้ก็คือบุญที่ที่ความปฏิบัติดีเพราะนั้นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ก็นับว่าเป็นนาบุญของโลกพะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้เอาไว้เจริญพุทธคุณ หรือสังฆคุณก็ยังดีเนี่ยนะว่าธรรมะเหล่านี้มีผู้ที่ปฏิบัติตามได้นะนั้นคุณธรระทำหลาอย่างที่เราศึกษาเราก็ยังไม่ต้องเอาเราไปเปรียบอะไรเนี่ยนะเรียนเอาไว้กราบเอาไว้ไหวเอาไว้เคารพนะเวลาเราไหวเจดี JD, เราเราคิดถึงขนาดาเมื่อไหร่จะมีเจดีเราแบบนี้ว่างี้คิดถึงขนาดนั้นไหมนี่ก็เหมือนการเรียนธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยนะจะไปคิดอะไรมากมายเรียนเอาไว้กราบเอาไว้ไหวก็ยังดี น, นะ เพราะบางคนเรียนไปแล้วมันเดือดร้อนที่ตัวเองทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้เนี่ยก็ทําไม่ได้ ก, ไไดก็เลยพานจะเลิกเรียนไปอีกนะอย่างนั้นก็มีนะคิดเลยไปส่วนนิชรรวัตถุสิบนี้คงเป็นคราวหน้านะเพราะเนื้อหาอรายละเอียดก็เป็นที่น่าสนใจตั้งหลายหมวดนะก็คงพอยเป็นคราวหน้าแทน เ, เ, เคยเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าปกติเราก็จะ เราก็จะเจริญพุทธานุสติกันนะครับแล้วก็ธรรมานุสติสังขานุสตินี้ก็จะเจริญน้อยคุณเจ้าบอกว่าเจริญสังขานุสตินี้ยากก็อยากให้คุณเจ้าลองอแสดงว่ายากอย่างไรบ้างอนะครับถ้าเราลองมาเลิอกอย่างนี้นะว่าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะแสดงธรรมะจับ ก, กับประวัตนาสูตร แล้วธรรมจักรกับปวัตินาสูตรนี่เนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงแล้วพระอัญญาโกฏัญญะฟังแล้วบรรลุะนั่นเป็นความปฏิบัติดีของพระอัญญาโกฏัญญะใช่ไหมเป็นความปฏิบัติตรงของพระอัญญาโกฏัญญะเป็นความปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยมรรคของพระอัญญาโกฏัญญะหลังจากนั้นท่านัญาโกฏัญญาเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสการะกราบไหว้ที่ตรงนั้นแม้กระทั่งเป็นสถานที่เรียกว่าธรำเมฆคาสตุบทธรรมะบวกอิกขะอิขะก็แปลว่าเห็น ทำรรเมฆะก็คื อ, อทำธรรมะอิคะก็คือสถูปที่ท่านเห็นธทำ น, นะสถูปที่พระอัญญาโกณทันย่าเห็นทำถึงก็สร้างสถูปเอาไว้เลยนะอันนี้น เ, ปนเป็นเป็นความปฏิบัติดีของท่านอย่างมากซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจเนื้อหาของธรรมจักด้วยเราจะเห็นความปฏิบัติดีของท่านไม่อย่างนั้นเราก็ระลึกไม่ออกอนะระลึกถึงความเป็นการาทรงผ้ากาสาวะบ้างระลึกอะไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ตรงต่อ สภาวะในความเป็นพระอริยะเพราะความเป็นพระอริยะก็อยู่ที่การสําเร็จหรือการเห็นอริยสัจนั้นการที่เราร ะ, ะลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นคุณของพระธรรมใช่ไหมแล้วก็จะรู้จักพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคําที่พระพุทธเจ้าสอนอนะโดยเฉพาะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดอันถ้าเราสามารถระลึกถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 แล้วยังพิจารณาต่อไปว่าบุคคลใดที่มีคุณคืออริยมรตมีองค์8ปดเนี่ยนะเป็ก็เป็นคนที่ควรแก่การเคารพสักการะหรือถ้าเราพิจารณาถึงโสตาปฏิยังฆาธรรมสี่ประการบุคคลใดที่มีโสตาปฏิยังฆาธรรมสี่ประการอยู่ในตัวก็เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะถ้าเราละลึกถึงศีลละลึกถึงสมาธิปัญญาละลึกถึงพระธรรมคําสอนต่างๆไม่ค่อยได้ ก็ยากเหมือนกันนะที่จะเล่ลึกถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เพราะว่าศีลเนี่ยจะต้องรู้ด้วยอะไรศีลรู้ด้วยการอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันนานๆผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ถ้ามนสิการจึงรู้ถ้าไม่มนสิการก็ก็ไม่รู้เพรา ะ, ะนั้นเราเจริญนั้นเราก็ต้องไปเล่ลึกที่ที่คุณธรรมทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราไม่รู้คุณธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าท่านมีเหล่านั้นมีคุณเช่นไร เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าสมาบัติเนี่ยนะพรมชั้นปริสัทชาเป็นต้นเนี่ยมากันมาแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีปัญญามากะนะ พ, พรมยังไม่รู้ว่าพระสารีบุตรกำลังเข้าอะไรอยู่อันนี้เขาเรียกว่าพรมยังไม่รู้ใจของท่านเลยไม่รู้เลยอะ่ะก็เลยเนี่ยพระสารีพรมทั้งหลายก็เลยบอกขอนอบน้อมแต่ท่านผู้บุรุษอาชาในขอนอบน้อมแต่ท่านผู้ อุตมะบุรุษคือบุรุษที่สูงสุดกันนะข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาก็ยังไม่รู้อารมณ์ที่ท่านมนสิการอยู่เพราะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านกล่าวว่าท่านลึกซึ้งขนาดนั้นนะขนาดพรหมยังไม่เห็นโคจรของท่านเลยนะเพราะฉะนั้นคือปัญญาของท่านเพราะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เข้าใจในพระธรรมก็ยากที่จะรู้ว่าผู้ใดปฏิบัติดีจริงๆเพราะความปฏิบัติดีคือความปฏิบัติไม่คดทางกายทางวาจาและทางใจ แล้วอะไรหนอทําให้กายไม่คดวาจามไม่คดอันนั้นก็ต้องเป็นศีลอะไรทําให้ใจไม่คดอันนั้นก็เป็นอาณาพิชชาอัพพยาบาทและสัมาธิฏิอัพพยาบาทของพระอริยะทั้งหลายก็ระดับฌานนั่นแหละถ้าเอาสูงสุดอาณาพิชชาก็ระดับฌานด้วยซ้าไปสมาธิฏิของท่านก็ระดับมัตตเนี่ยนะก็เป็นมัตตสั ม, มาธิฏิผู้ที่อยู่ในสุดจดีสามเหล่านี้นี่แหละเป็นคนตรงจริงๆ เพราะกายก็ไม่คดวาจาก็ไม่คดใจท่านก็ไม่คดท่านดำเนินเพื่ออริยมัติท่านสูงแล้วถ้าท่านบรรลุแล้วท่านก็ดำรงเพื่อเข้าสมาบัติพฤติกรรมของท่านก็เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกท่านเหล่านั้นนี่แหละควรสักการะควรเคารพควรกราบควรไหว้เป็นต้นเนี่ยนะทั้นถ้าถ้าเรารู้จักศึกษาเราจึงจักเจริญได้ทั้นถ้าเราไม่รู้จักศึกายิ่งในยุคหลังๆมาเนี่ยนะ ถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์มากด้วยยิ่งเดือดร้อนเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครละคะนี่นะก็เห็นแเราระแวงไปทั้งหมดเลยนะก็มีสมัยหนึ่งสมัยที่พระพิสุท่านชอบขอสร้างกันมากทีนี้ก็เที่ยวขอชาวบ้าน่ะนะไปขอให้ชาวบ้านมาช่วยสร้างกุฏิทีขอแรงบัง่งขอแรงงานบ้างขอของเข้ามาสร้างบ้างเ้าบอกเขาตอนหลังเนี่ยชาวบ้านเห็นโคยังตกใจเลยหนีเลยนะึกว่าเป็นพระมาแล้วจะมาขออะไรอีกเน้ะมางั้นเหรนะนะ มีบางช่วงนี่เป็นขนาดนั้นด้วยซ้าไปอย่างยุคนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเริ่มได้ยินมาเป็นหลายปีแล้วว่าเพราะฉะนั้นหนักหนักเข้าเราก็ไม่รู้ว่าใครหนอปฏิบัติดีใครหนอปฏิบัติตรงแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดละ่ะหนักๆเข้าก็เห็นแต่หนังสือพิมพ์ก็เลยเลิกนับถือทั้หมดเรื่องของราเหมือนกันอันนั้นมีโยมบางคนก็บอกโอ้ท่านอย่ามายุ่งกับผมเลยผมก็จะประกอบอาชีพของผมนี่แหละเหมงอนกันเพรา ะ, ะนั้นก็แสดงว่าไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการนินไม่ต้องการได้ยินแล้วก็เกลกว่าขอ หันหลังให้อริยธรรมอะครจะดียังไงก็ดีไปเถอะขอประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวนี่แหละต่อไปว่างนันเพราะฉะนั้นในยุคนี้เป็นอย่างนั้นแล้วทั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจพระพุทธคุณเราก็จะเข้าใจในพระธรรมถ้าเราเข้าใจพระธรรมเราก็จะลึกถึงผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมนั่นแหละคือท่าสงทั้งหลายในขณะเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่าสารณะที่เป็นจริงของเราเนี่ยคืออะไรทั้นเวลาเราสวดมนต์ทุกครั้งนะสุปฏติปันโนภควโตสาวกะสังโค พระสงฆสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วแล้วท่านดียังไงที่ปฏิบัติดีเพราะท่านปฏิบัติกำจัดราคะโทสะและโมาหะความที่ท่านดำรงอยู่ในศีลท่านจึงกำจัดโทสะความที่ท่านดำรงอยู่ในสมาธิท่านจึงกำจัดโลภะความที่ท่านดำรงอยู่ในปัญญาซึ่งท่านจึงกำจัดโมาหะทีนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มี ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสมุดฐานกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเหล่านั้นเป็นความซื่อตรงของท่าน น, นะก็ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นตรง น, นะเป็นผู้ตรงนั้นสมนะัมมณะทั้งหลา ย, ท, ลายที่เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นแต่ก็ถ้าความรู้พระธรรมไม่ดีก็นับว่าระลึกไม่ง่ายเนี่ยนะระลึกไม่ง่ายเลย ในยุคนี้นะไม่เหมือนยุคสมัยที่แบบภาษารีบุตรท่านก็มาพระโมคคัลลานะท่านก็ไปท่านนท่านก็เห็นอย่างเงี้ยนะก็นั่นะนะเห็นเห็นอยู่จะไม่ค่อยยากนะนะพอถ้าทําไม่อย่างนั้นนี่ก็นับว่ายากมากแต่ถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะก็อ่านเทระคถาเยอะๆก็จะพอพอจะเห็นคุณของพระสาวกนะอ่านเทระคาถาอ่านเทรีคถาหรืออ่านเอตะทัะขะนะเอตะทะคะทั้ ง, ท, งทั้งหลายเนี่ยนะ ก็พอที่จะทําให้เห็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งสาวกที่เป็นภิกษุสาวกที่เป็นภิกษุณีสาวกทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านเหล่านั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนบุคคลที่เหลือก็คือพวกนับถือพระรันตนตรัยเพราะฉะนั้นตอนที่ยังมีศรัทธาก็ยังนับถืออยู่ใช่ไหมตายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปนับถือใครอีกต่อไปนะชาติหน้านะชาติหน้ายังแน่ใจหรือว่าจะได้นับถือพระพุทธเจ้าอีกมั้งงั้นถ้ามาเป็นมนุษย์นั้นมีสิทน้อยนะัก ถ้าเป็นเทวดาค่อยอยังชั่วหน่อยอาจจะพอมีเขาอยู่บ้างแต่ถ้าตายอบายเนี่ยนนี้จบเลยนะหมดติดเลยนะนั่นรอบุญพระที่อ่านมาไม่รู้จะได้เกิดทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ขอให้ไปดีไว้ก่อนนะขอให้ไปสุขติไว้ก่อนถ้า่างนั้นถึงถ้าเป็นมนุษย์ก็นับว่าเสี่ยงนะยุคหน้าเนี่ยถ้าเราทั้งหลายกลับมาใหม่นะโอนับว่าเสียงมากนั้นก็ข้ามแดนเรียกว่า ที่คำว่าเสี่ยงนี่แปลว่าถ้าเกิดมายุคหน้าที่จะมีโอกาสบําเพ็ญไตรสิขาจะยากกว่ายุคนี้อีกหลายสิบเท่าเนี่ยนะยากกว่ายุคนี้อีกหลายสิบเท่าเพราะมิจฉาทิฏฐิระบาดเอ็มที่แล้วเนี่ยนะก็ยังเนื่องออีกห้าสิบปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบนั่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ทั้งหลายก็อย่าประมาทนะความเพียรควรทําในวันนี้แหละกุศลควรเจริญในวันนี้แหละเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายพรุ่งนี้ ถ้าตายพรุ่งนี้กว่าจะรู้เดียงสาเขาอีกเป็นสิบสิบปีเลี่ยนะกว่าจะโตมารู้เดียงสารู้แล้วก็ไม่รู้เขาส่งไปเรียนที่ไหนก็ไม่รู้นะเราก็บ้านนอนสอนง่ายเขาส่งไปไหนก็ไปหมดนี่็ลําบากอองเหมือนกันนะเนะนะนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยส่งไปเรียนถ้าตายปิดอกหลอกเชื่อเถอะครั้งก่อนๆที่มาที่นี่แรกๆเขาบอกว่าเราไปเรียนมากนะเดี๋ยวจะเป็นบ้าเขา้าว่าไปนั่นนะนะะเรียนถ้าตายปีดอกยังกลัวบ้าเขาอีกเพราะฉะนั้นก็วัดตานี่มันมีภัยอย่างนี้แหละถ้าท่านนี้ได้ก็ห น, นีเถอะ่ า, นนานนะไปอยู่เลย